เห็นอย่างนี้ก็ได้โสดานะไม่เกินความสามารถที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีศีลมีธรรมจะทําได้มนุษย์ทุศีลทำไม่ได้เอาใครจะส่งกันบ้านตามความจําเป็นบัง้งมีไหมวันนี้เอาจําเป็นนะให้คนอยู่วัดก่อนเอาว่ามาพิธีการครัหลวงพ่อมาอยู่วัดนี่ก็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 หนูว่ามันจิตมันเดือ้อะหลวงพ่อคือเขาทำบริกรรมเนี่ยคะ่ะการบริกรรมเนี่ยกับพุทโธหนูเคยเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อหลายทีแล้วคาว่าพุทโธคิดว่าเตงน่าจะเหมาะกับพุทโธทีนี้จิตมันก็ไม่ยอมลงสั ท, ทีกับกับพุทโธกับหายใจเข้าออกค่ะลมหายใจมันก็ยังอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ยังคิดว่าเตงเหมาะกับลมหายดูลมนะเอ๊ะไม่ใช่มันน่าจะเป็นพุทโธก็อยู่กันอย่างสองอย่างเนี่ยค่ะ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 กราบหลวงพ่อนะคะขอส่งกันบ้านในรอบที่ไม่ได้มาส่งหลวงพ่อประมาณปีกว่าแล้วนะคะทีนี้ก็ในส่วนของตัวเองเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกมันกระจายกระจายะคะ่ะหลวงพ่อไม่รู้ถูกว่เออตัวเก่งถ้รู้นะ <c oughs> คือ ด, <c oughs> ดูดูได้อะเก่งแล้ว <c oughs> ก็รู้สึกว่าตัวเองกับกับการใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอะไรมันก็เหมือนห่างๆไปนิดๆ น, นะคน้าหลวงพ่อไม่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 ตอนมันร้อนมันขึ้นมันร้อนนะฮะแล้วมันก็ไปเจอลมอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วก็แบบรู้ว่าฝึกนะฝึกไปได้พุทธาไปแล้วงันดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆอย่นั้นใช้ได้นะครับมาถูกทางเลยใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเหนื่อยก็พักนะเดี๋ยวัวใจไว้เลยหลวงพ่อนี่นะไปเห็นบรรดายิ่งสูงหลวเพราะไม่เหนื่อยหรอกเราไม่ขึ้นซักอย่าง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 กายหายก็ช่างมาันเราก็รู้จิตต่อไปอก็คอยรู้พาประเดี๋ยวก็มีกายขึ้นมาอีกอ เ, เดี๋ยวจิตก็อยากเพื่อมาอีกนึงก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆก็ทำได้อยู่อย่างนั้นถูกทางแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเจ้าคะ <c oughs> ก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆนะ <c oughs> แล้วจะพบว่าไม่ถูกสักที <c oughs> ไอ้ตรงนี้ว่าถูกแล้วน ะ, ะดีขึ้นแล้วนะต่อไปก็พบว่ามันไม่ใช่อีกอันนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละ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 เคยเห็นจิตเกิดดับไหมเห็นค่ะเอออ่งนั้นอาจะเอาอะไรอีกล่ะก็ภาวนาไปด้วย <c oughs> ดีจิตถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงค่ะแต่ถ้าปกติบางจิตตอนนี้มีกิเลสอะไรไหมมีประมาค่ะเออนอกจากประมามีอะไรอีกไหมสว่างไหมหรือมืดหรือมัว <c oughs> มัวมัวค่ะอ๋อนะมีโมหะแทรกแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นค่ะนะ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 อย่าให้ความตัวนี้ยมันครอบจิตเลยครดูแล้วออน่าเบื่อไปหมดเลยนะเวงว่างอะไรเงี้ยตัวนี้มันยังครอบงำจิตอยู่ใช่ค่ะนะให้รู้ทันมันจะปล่อยให้มันครอบงำน้ำมั น, น, นสมการหลวงพ่อครับก็มาส่งการบ้านในรอบสองเดือนครับคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตผมยังไม่ค่อยถึงฐานเท่าไหร่ฮะก็หลังจากนั้นก็พยายามไปปฏิบัติ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 ไม่เหมือนเดิมนะฮะ ม, มันก็จะรู้สึกว่าอะไรเข้ามามันก็จะไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมเออดีนะครับมันก็จะกระจายกระจายไปออตอนนี้จะสอบถามหลวงพ่อเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ทุกเช้าเนี่ยพยายามจะตื่นมาทุกเช้าอะไรนะทุกเช้าพยายามจะตื่นมาทําในรูปแบบตอนเช้าครับ<อ>ประมาณเดินสักหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับครึ่งชั่วโมงแรกก็ยังจะยังเป๋ๆไปเป๋มาฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าพอมันตั้งมั่นก็จะตั้งมั่นได้เอง